เหตุไรโอปปปาธิกาทั้งหลายจึงต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับมนุษย์บางคนอาจจะสงสัยว่าเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์เช่นหลวงพ่อสมเด็จพระพุธาจารย์โตแห่งวัดระคังหลวงพ่อสุขวัรณมะามเท่าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้พ่อคุณรามคำแหงมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระพิยะมหาราช และองค์อื่นๆอีกมากมายที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอว่าเดี๋ยวไปติดต่อกับคนนั้นคนนี้ที่นั่นที่นี่ทำไมท่านจะต้องมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์เมื่อท่านตายไปแล้วก็ควรจะไป ส, สุไสุหรือไปสิงสถิตยอยู่แต่ในภูมิของท่านปัญหาในทรนองนี้มีคนสงสัยกันมากเหมือนกันข้าพเจ้าขอชี้แจงให้ทราบว่าการที่ท่านเหล่านี้ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับมนุษย์นั้น นอกจากจะเป็นไปตามวิบากหรือเป็นไปตามอนานาจดึงดูดดังที่ได้กล่าวมาแล้วก็ยังมีเหตุอีกอย่างหนึ่งคือการสร้างบารมีของท่านในโลกมนุษย์คนที่คิดจะก้าวหน้าอยู่เสมอก็จะต้องมีการศึกษามีการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งคนที่รักความก้าวหน้าจะไม่อยู่เฉยๆหรือมัวเพลิดเพลินสแสวงหาแต่ความสนุกปล่อยให้ชีวิตล่วงไปดยไร้สาระถึงแม้ว่าคนเหล่านี้จะมีเวลาเหลือเฟือ มีเงินทองเหลือใช้ก็ตามในธรรนองเดียวกันเทพเจ้าหรือโอปปปาติกะองค์ใดก็ตามที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับมนุษย์คอยช่วยเหลือมนุษย์อยู่เสมอนั้นก็เพื่อสร้างบารมีของท่านซึ่งเป็นหน้าที่หรือเป็นความจำเป็นของท่านและอีกประการหนึ่งเนื่องจากอุปนิสัยเดิมก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่แล้วไม่ชอบใช้เวลาให้หมดไปในเรื่องที่ไม่มีสาระด้วยเหตุนี้เอง ท่านจึงได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ตามวิบากที่ดึงดูดเข้าหากันอันที่จริงถ้าเทียบตามส่วนแล้วโอปปปาติกะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับมนุษย์คอยช่วยเหลือมนุษย์นั้นมีจำนวนน้อยมากส่วนผู้ที่อยู่แต่ในภูมิของตัวไม่มาเกี่ยวข้องกับมนุษย์เลยมีจำนวนมากกว่าหลายร้อยหลายพันเท่าพวกที่ไม่หมานี้ซึ่งถ้าเป็นพวกที่อยู่ในสวรรค์ ก็จะ ส, สุขจดลืมโลกมนุษย์เพราะความสุขในสวรรค์มีมากฉะนั้นถ้าหากพื้นเดิมไม่ใช่เป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์คนอื่นยิ่งกว่าประโยชน์ของตัวเองพวกนี้จึงลืมโลกมนุษย์โดยอัตโนมัติฉะนั้นผู้ที่มาสู่โลกมนุษย์จึงนับว่าเป็นผู้เสียสละโดยแท้และด้วยอัตยาัยที่ผูกพันอยู่กับมนุษย์เห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นยิ่งกว่าประโยชน์ของตัวอันนี้คือปัจจัยสําคัญที่ทําให้นึกถึงโลกมนุษย์ และก็คิดที่จะมาช่วยเหลือมนุษย์อยู่เสมออันหนึ่งบางคนก็อาจจะสงสัยว่าท่านตายไปตั้งนานแล้วทำไมจึงยังไม่เกิดเป็นคนปัญหาข้อนี้ตอบได้ไม่ยากถ้าท่านเข้าใจหลักอยู่อย่างหนึ่งว่าสภาพร่างกายของพวกโอปปาติกะขึ้นอยู่กับสภาพของจิตใจโดยตรงเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่มีจิตใจสบายอยู่เสมอมีคุณธรรมสูง จึงได้มีอายุยืนยาวอยู่ในโลกของโอปปาติกะนานมากถ้ายิ่งได้ฌานก็จะยิ่งมีอายุยืนยาวขึ้นไปอีกนับเป็นพันพันปีหมื่นปีแสนปีล้านปีทีเดียวแต่ก็ควรจะรู้ถึงกฎอีกอย่างหนึ่งว่าสำหรับคนที่ได้อธิษฐานไว้ว่าจะสร้างบารมีเพื่อช่วยเหลือมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างกว้างขวางนั้นบุคคลประเภทนี้แม้จะมีบุญอยู่ในสวรรค์เป็นเวลานาน แต่ก็จะอยู่ได้ไม่นานจะต้องจุดติลงมาเกิดเป็นมนุษย์แต่าหากสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ของโลกมีความเหมาะสมในอันที่จะให้บุคคลประเภทนี้ลงมาเกิดแต่ถ้าหากสิ่งแวดล้อมในโลกไม่เหมาะสมเช่นเหตุการณ์ที่ตัวเองจะต้องเข้ามาแก้ไขได้เป็นผลสำเร็จไม่มีหรือบุคคลที่จะเป็นพ่อเป็นแม่ที่เหมาะสมแก่บุญบา ร, รมีของคนนั้นไม่มีบุคคลเหล่านี้ก็จะยังไม่จุดติคือยังไม่ตายหรือเคลื่อนจากสวรรค์ จนกว่าจะถึงเวลาอันเหมาะสมจึงจะจุติลงมาเกิดได้และด้วยเหตุนี้เองเราจึงได้พบว่าบุคคลบางคนได้ตายไป น, นานแล้วนะับเป็นร้อยร้อยปีก็ยังไม่จุติลงมาเกิดเป็นคนแต่บางคนอยู่ในโลกโอปปปาติกะไม่นานเท่าไหร่ก็มาเกิดเป็นคนแต่อย่างไรก็ดีบุคคลที่ข้าพเจ้ากล่าวถึงนี้หมายถึงบุคคลชั้นพิเศษซึ่งส่วนมากก็เป็นพวกพระโพธิสัตว์ หรือผู้ที่บำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระโพธิสัตว์บุคคลประเภทนี้จะมีชีวิตอยู่ในโลกโอปปปาติกะไม่นานทั้งที่มีบุญทำให้อยู่สวรรค์ได้นานและบุคคลธรรมดาสามัญบางคนอาจจะมีชีวิตอยู่ในโลกของโอปปปาติกะเพียงไม่กี่นาทีก็มีคือหมายความว่าพอตายจากคนก็ปฏิสนธิในท้องคนมีชีวิตผ่านเป็นโอปปปาติกะเพียงชั่วขณะเท่านั้นอย่างนี้ก็มี แต่ก็มีน้อยมากเพราะว่าการที่ใครจะมาเกิดเป็นคนนั้นวิญญาณที่จะมาเกิดจะต้องมีความเหมาะสมกับวิญญาณของพ่อแม่และเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมด้วยจึงจะมาเกิดได้ซึ่งเหตุการณ์ที่ว่านี้ยากมากที่จะมีได้ในชั่วระยะเวลาสั้นๆคือหลังจากตายก็มีความเหมาะสมในอันที่จะเกิดทันทีโดยทั่วๆไปแล้ว ผู้ที่ตายจากโลกมนุษย์แล้วมีชีวิตอยู่ในโลกของโอปปปาติกะนับเป็นวันก็มีน้อยนับเป็นเดือนก็มีน้อยนับเป็นปีปีตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิปี20ปี30ปีอะไรทำนองนี้มีมากผู้ที่จะอยู่ในโลกของโอปปปาติกะนานๆก็คือคนที่มีบุญมากหรือไม่เช่นนั้นก็มีบาปมากแต่นี่ก็เป็นหลักเกณฑ์โดยทั่วไปเท่านั้นไม่ใช่กฎตายตัว มาเหตุผู้อ่านในเรื่องการติดต่อกับเทพเทวดาและโอปปาติกานั้นก็ให้ระวังนะครับคนที่ติดต่อไม่ได้จริงมโนไปเองเข้าใจผิดไปเองหรือตั้งใจหลอกลวงก็มีอยู่มากนะครับหลายคนศีลห้าขาสบันหาความดีแทบไม่ได้เลยบางคนก็แต่งตัวเพี้ยนๆมีการแสดงออกแบบประหลาดลองคิดดูนะครับว่าเทพเจ้าดีๆที่ไหนจะมาเข้าทรงมาติดต่อกับคนพวกนี้ ลองให้นึกถึงคนที่มีบุญบารมีคนร่ำรวยปกติในโลกมนุษย์เอาแค่เป็นคนนะครับก็ยังไม่อยากติดต่อกับคนพวกนี้เลยการติดต่อกับเทพเทวดามีจุดสําคัญสังเกตได้ง่ายมากนะครับเช่นพวกที่อ้างว่าติดต่อหรือเข้าทรงเจ้าแม่คนอิมแต่พูดจีนไม่ได้อ่านจีนไม่ได้ถ้าเป็นเทพที่เละเลือนจนอ่านหรือพูดภาษาของตัวเองไม่ได้ก็คิดเอานะครับเทพติ้งตองที่ลืมกระทั่งภาษาของตัวเองนั้น จะควรเคารพนับถือหรือไม่และจะมีริทมีเดชมาช่วยเราจริงได้หรือไม่เป็นเรื่องง่ายๆนะครับที่เราทุกคนน่าจะคิดได้เกี่ยวกับการเข้าทรงการติดต่อทางวิญญาณนั้นติดตามเพิ่มเติมในชุดแววเสียงสวรรค์นะครับ